นักมตัดสะภควัตุอระหาตุสัมมาสัมพุทธะนมูตัดสะภควตุอระหตสัมมาสัมพุทธัมูตสะภควตุอระหตสัมมาสัมพุทธะ พุทธังธรรมังสังฆนามิสามิอิตูปรังสกจังธรรมโมโสตโปติเน่ยเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ อาตมาขอร บ, บวนความเหนื่อยเหนื่อยของอยาติโยมสักนิดนึง <c oughs> วันนี้ตามความรู้สึกของอาตมารู้สึกว่าญาติโยมคงจะนิดเหนื่อยทางกายมากแต่ว่าใจคงจะยังมีกำลังเพราะว่าดู หน้าตากิริยาท่าทางไปมาแช่มชื่นดีทุกคนเพราะว่าตั้งใจมาทำบุญทำกุศลกัน น, นี้วันนี้ก็บุญนะต่างคนต่างเหนื่อยสิมาพบกันบุญมันทับกันโยมมันนี่บุญมันทับกัน <c oughs> <c oughs> ก็เลยหลาย ทิศหลายทางมารวมกันทะนั้นอาการอะไรที่ไม่สะดวกนะทางวัดในทางทายกทายิกาทั้งหลายก็ขออาัยนะมันมากก็เป็นอย่างนี้แหละมันมากเราจะไปคนเดียว ก, ก็กลัวไม่อยากจะไปกันนี่ก็ไปมากๆคนมันก็ต้องเป็นอย่างเนี้นะออย่างเราเห็นมานี้นะมันเรื่องของของพวกเราก็เป็นอย่างนี้ ถ้าให้ไปอยู่ที่สงบคนเดียวก็เหงาใช่ไหมอถ้าอยู่มากคนกวุว้นไม่รู้ว่าจะเอาไงกันดีเนาะเอาตามที่มันเป็นไปมันมีนี่แหละนะอืมฉะนั้นวันนี้ก็หมายกาหนดการของญาติโยมทั้งหลายบางทีก็ตัดไปบ้างเล็กๆ น, น้อยๆแต่ไม่มีเสียหายอะไร ยิ่งเกิดความสะดวกเลยนะอย่างตั้งใจมาทอดผ้าป่าวัดนานาชาติแห่งหนึ่งวัดป่าพงค์แห่งหนึ่งบัดนี้บุญเราได้มารวมกันทีเดียวเลยสบายขึ้นไม่ใช่ว่ามันมีนของยากแต่มันง่ายขึ้นทีเดียวเลยรวมรัดไม่ใช่รวมรัดในทางที่มันผิดในทางที่มันถูกต้องเป็นอย่างนี้อย่างท่านกล่าวกันไปแล้วนั่นนะ ผู้จำนานการกล่าวไปแล้วโยมอาคมที่กล่าวไปแล้วนั่นน่ะอาศัยบา ร, รมีของญาติโยมทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริษัทที่มีกำลังสนับสนุนทุกแห่งยกตัวอย่างเช่นวิทยุศูนย์หนึ่งก่อนที่จะสร้างอะไร ตั้งแต่เบื้องแรกอาตมาเคยเตือนว่าโยมโยมมาคมปล่อยเรือเร็กลงทะเลมองมองดูด้วยนะมันลมมันฟองเฉ <c oughs> ยๆมองดูด้วยนะ่งเงี้เท่านี้ก็เข้าใจกันแล้วนะบัดนี้ก็ได้จิตตามอันนี้มาตลอดการตลอดเวลาอาตม า, ามีความรู้สึกในจิตใจว่าดี อืสมรังเกตนาทุกอย่างที่จะุด้วงไปก็เพราะญาติโยมอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้ก็จึงขึ้นธมานี้มาพูดกับญาติโยมแต่เพียงเล็กน้อยไม่เอามากอาตมาก็เต็มทีเหมือนกั น, นวันนี้หลายวันมาแล้วนะดูฟืนหน้าวัดดิมันกี่หมื่นกี่แสนรุ่นนะ่ะอืม เอาอย่างนี้นอไม่มากคืออัตมาจะปลารบเล็กๆแต่น้อยต่อไปนั้นก็จะให้ท่านปภากลูนะอธิบายธรรมะให้ญาติโยมฟังมันเป็นอาหารที่ปแปลกแปลกมันมีลดหลายอย่างรวมกันเช่นว่ายกง่ายๆไอ้พระฝรังที่จะเทศน์นั่นเราก็ไม่ นานจะได้ฟังนะเทศภาษาไทยภาษาลาว น, นะยากที่จะได้ฟังมันยากเป็นของแปลกๆเหมือนกันแดะเออมันเป็นเองมันนะอันนี้มันก็เป็นเองมันนะพูดภาษาไทยก็เพราะภาษาลาวก็เก่งพูดภาษาลาวอาจจะเก่งกว่าพวกเราทั้งได้เนาะอย่างนี้อย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้ฉะนั้น การบุญการกุศลอันนี้สำเร็จมาด้วยความสามัคคีกันทุกคนที่รวมมือรวมใจกันโบส์ก็เสร็จไปเหลือเรียกยน้อยเหลือแต่ปีกแต่หางวันเท่านั้นเนละยมันง่ายขึ้นแล้วมีโบส์แล้วก็ยังมีปัญหาต่อไปอีกนะก็มีพระประธานนีม มันก็สมกับคำที่ว่าก้าวก้าน่ยมั้งนะมันก้าวไปเรื่อยนี่โยมสบายใจมาบอกว่าอันนี้ก็ก้าวไปเรื่อยมันก้าวไปไม่หยุดนายโยมนะในเวลามันก้าวไปให้มันก้าวไปก่อนนะเวลาหยุดมันมีหรอกมันเหนื่อยมันหยุดหรอกเวลามันไม่เหนื่อยให้มันก้าวไปถึงที่สุดมันเนี่ยมันก็หยุดอย่างนี้เหมือนเรารับประทานอาหารนั่นแหละมันก้าวไปเรื่อยนะถ้ามันจะอิ่มนมันหยุดเองมาหรอกมันก็หยุด อย่างนั้นอืเรื่องนี้อาจจะนั่นธรรมะในวันนี้นะคือความสามัคคีกันถ้าเรามีความสามัคคีกันอย่างนี้ไม่ใช่สามัคคีแต่เพียงเท่านี้นะ่ะ <c oughs> เกิดผลประโยชน์มาอย่างเมืองไทยเราเนี่ยนะเป็นเมืองที่อุรมณ์สมบูรณ์อย่างนี้ถ้าเรามีความสามัคคีกันเช่นนี้ อย่างมีธงชาติอันเดียวกันนายหลวงอันเดียวกันพระพุทธเจ้าอันเดียวกันอย่างนี้พุทธศาสนาเมืองไทยเราเนี่ยเมืองไทยจะได้ตั้งอยู่นานหรือเกินให้เข้าใจเสียว่าบ้านของเรานะั่นนะบ้านของเรามันจะตั้งมั่นอยู่เพราะเจ้าของบ้านถ้าบ้านมันจะทำลายไปก็คนอยู่ในบ้านทำลาย ถ้าคนในบ้านตั้งอกตั้งใจรักษาบ้านของเราไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอันนี้ธรรมมีความสามัคคีกันอย่างนี้อัตมาก็ปัญหานี่มันน้อยไปมันจะดีขึ้นดีขึ้นอะไรทุกอย่างความสามัคคีนี้ในทางที่ดีเนี่ยมันดีทุกอย่างนั่นแหละอย่างญาติโยมที่มาวันนี้นะ รวมกันเป็นกลุ่มต่้งหลายแหง่งหลายหัวเมืองหลายจังหวัดมีมารวมกันนี้นี่เรียกว่าการกระทาบุญการกระทาบุญบุญนั่นคืออะไรบุญนั่นคือความที่ถูกต้องคือความสงบจากความชั่วทั้งหลายอย่างนี้ อย่างญาติโยมที่รวมกันมานี้ก็รวมกันทาบุญแต่ตัวบุญจริงๆนั้นมันก็ต้องดูเอาเองอันนี้มันก็เป็นวัตถุมันก็เป็นวัตถุหลายอย่างเหมือนกับเราบริโภคอาหารนั่นแหละโยมอืม <c oughs> นะมันอริดอร่อยเพราะวัตถุนะถ้ามันอิ่มแล้วก็ไม่อิ่มที่ตรงไหนก็ไม่รู้ ตัวอิ่มไม่มีตัวมีตนนะแต่รู้สึกทุกคนมันอิ่มนั่นบางคนก็ไม่เห็นตัวบุญคนไม่เห็นตัวบุญก็ไม่เห็นตัวอิ่มนะ่นะ่ยยังเราทานข้าวทุกคนไอ้แกงก็หมดข้าวก็หมดขนมก็หมดหมดแล้วบุญตรงไหนได้อัดได้อะไรได้อิ่มอิ่มไม่มีตัวมีตนมันโผล่ขึ้นมาในใจของเราเนี น, น, น, นี่เลยเรียกว่า มันเกิดจากอะไรเนี่ยมันเกิดจากวัตถุเกิดจากการกระทำนั้นบุญนี้คูมันกันอัตมาเคยได้ยินว่าทำบุญก็ไม่เห็นบุญไม่เห็นตัวอย่างนั้นก็ทานข้าวไม่รู้จากอิ่มนะมั้งไม่รู้จากความอิ่มเลย น, น่ความอิ่มนะเนี่ยที่มันผลิผลมาจากการกินการบริโภคการกระทำเช่นนี้เดียกวกับการกระทำบุญเป็นเรื่องสมมติ ใจิตใจเราเบิบ่อบานใจิตใจเราสบายการให้ทานแก่บุคคลผู้อื่นนั่นพระพุทธองค์ทุกองค์งนั้นต่นจัดว่าเป็นบารมีทานะบารมีทานะอุบบารมีทานะบรมัตบารมีรมคุณทรรมอันยวดยิ่งก็คือบารมีนั่นเองวันนี้ทุกกลุ่มที่มารวมกันเป็นบารมีบางคนจะได้แต่บัตทานบารมี บางคนจะดันกันไปถึงอุปบารมีด้วยบางคนจะดันกันไปถึงปรมัติปรมีก็ได้แต่มาในกลุ่มเดียวกันนั่นเนี่ยแต่ความรู้สึกมันต่างกันอย่างนั้นอฉะนั้นบุญมันจะมากหรือบุญมันจะน้อยมันอยู่ที่ความที่ถูกต้องของพวกเราทันทั้งหลายนทุกคนรู้เอาในใจของเราเถอะบุญมันอยู่ที่ใจมันอยู่อย่างเนี้ย แต่ตัวใจจริงๆมันก็ไม่มีตัวมีตนแต่ว่ามันมีสมมุติไอ้ความรู้สึกอันนั้นเป็นใจสมมุติอย่างนั้นมันเป็นใจบุญก็เหมือนกันไอ้ผลมันผลิดมาจากเหตุอันนั้นเนี่ยเรียกว่าบุญบุญมันเป็นอย่างมีความสุขถ้าใจเป็นบุญแล้วนะมองไปที่ไหนก็สบายตามองไปที่ไหนก็สบายหูฟังก็สบายพูดไปก็สบายจะนั่งจะนอนอยู่มันก็สบาย สบายเพราะอะไรสบายเพราะมันไม่มีโทษอ่าอ่มันไม่มีโทษมันถูกต้องแล้วมันมีทางแก้ไขมันอย่างหีบนี้แหละนี่มันทำเสร็จแล้วนะจะอะไรมาทำมันอีกแล้วก็ตั้งโชยเท่านั้นแหละเห็นไมใครจะเอาขวานมาฟันมันอีกไหมเอากบมาใส่มันอีกไหมเอาอะไรมาทำมันอีกไหมก็โชว์มันไว้เท่านี้ ก็เรียกว่าไม่ต้องมีอะไรมันมันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วนี่สําเร็จมันจากการการกระทํามาไอ้หีใบนี้สมัยก่อนนั้นว่นก็เป็นต้นไม้เป็นต้นไม้ธรรมชาติธรรมดาแล้วนั่นแหละถ้ามีคนเป็นช่างก็เอาธรรมชาติอันนั้นเนี่ยมาทําให้มันสะอาดให้มันมีรวดมีลายขึ้นก็ได้เป็นของสวยงามมนุษย์เรานี้ก็เหมือนกันเช่นนั้นเหมือนต้นไม้ในป่านั่นแหละ เรามาสร้างบ้านอยู่อย่างก็ต้นไม้ในป่าเนี่ยมันได้มาเป็นบ้านคนก็นเพราะความฉลาดของคนเรามาทำเรานี่ก็เหมือนกันฉันนั้นตามองไปเห็นลูกหูฟังไปได้ยินเสียงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอ่ะมันทุกอย่างที่มันเป็นไหมฉะนั้นท่านจึงว่าอันนั้นมันเป็นธรรมชาติธรรมชาตินั่นก็คือธรร ม, มะธรร ม, มะนั่นก็คือธรรมชาติหีบนี่ก็คือต้นไม้ต้นไม้นี่ก็คือหีบ ถ้าคนมีความฉลาดขึ้นมาก็เป็นหีบอย่างงดงามอย่างนี้จิตใจพวกเราท่านทั้งหลายก็มอนกันอย่างนั้นถ้าหากว่าเราไม่ ส, สางมันนะเอมันก็สกรปรกลกกลากขึ้นมาแล้วจะดูในจิตใจของเร า, าทุกทุกท่านที่มีมาอยู่นี่นะเคยมีใจสกรปรกไหมนี่เคยมีใจสะอาดไหมไอ้ความสะอาดและความสกรปรกนี่มันรู้กันทุกคน ไอ้ที่มันจะเป็นมาตื่นเช้าขึ้นมานะ่ะมันมืดมาแล้วนะมองดูอะไรก็เกะกะทั้งนั้นในบ้านในช่องบนบ้านก็เป็นอย่างนั้นใต้ทุนก็เป็นอย่างนั้นไอ้คนนั้นพูดก็เป็นอย่างนี้ไอ้ ein, คนในทาไม่ถูกทั้งนั้นมันมืดแล้วนะระวังให้ดีๆนะมันเป็นอย่างนั้นไม่ถูกสักอย่างหนึง่งนั่นเรียกว่าใจมันสกกระโปรกอืมเอาไปวางตรงไหนมันก็สกกระโปรกไปทั้งนั้นน่ะอันนั้นท่านเรียกว่ามันเป็นบา บาปมันเกิดขึ้นมาเราก็ทุกข์ตามองไปก็ทุกข์หูฟังแล้วมันก็ทุกข์อะไรมันก็ทุกข์ทุกไปทางนั้นเนยสิ่งทั้งหลายมันเกิดอย่างนั้นมันเป็นเหตุที่ให้เราเป็นบาปคือความไม่สบายใจนั่นเองเนี่ยอันนี้การกระทำบุญนี่ก็ทำใจให้เราให้มันสะอาดที่มันสุกกระโปรกให้มันสะอาดไอ้ความสะอาดที่มันเกิดขึ้นที่สุกกระโปร ไอ้ศพกระโปงมันมีอยู่ความสะอาดก็ทุ่อยู่ที่นั้นเราทุกคนเหมือนกันพระพุทธองค์เจ้าก็เหมือนกันสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันสมัยก่อนท่านเป็นฆราวาสนะต่อมาท่านมาบวชท่านก็เป็นพระแต่ก่อนเจดีย์หนาปัญญายาวท่านมาฝึกสอนมันเจดีย์มันก็เบาไปเบาไปจนมันหมดจนมันสิ้นไปจนเป็นขีณาสาวก ไนะอ้ความสิ้นไปเสื่อมไปใครยะบัญยังแห่งจดดีทั้งหลายนั้นอันนั้นก็จันนั้นเหมือนกันอันนี้เรียกว่าบารมีทั้งนั้นที่เราทํามาอย่างนั้นขอญาติโยมทั้งหลายทําบุญก็ดีอะไรก็ดีต้องดูจิตใจของเราอย่างนั้นเช่นว่าเราจะพูดอย่างนี้มันต้องมีจุดอันหนึ่งนะพูดอย่างนี้มีจุดจะให้เ ป, เป็นไปอย่างนั้นอยู่ในใจของเราทุกคน ไอ้ฉะนั้นเรื่องนำใจองนั้นจึงดูเอาเองทำเอาเองวันนี้โกมันกันฉะนั้นญาติโยมมาทำบุญวันนี้ทุกคนมาเพื่อเอาบุญอาจจะไม่สมาเสมอกันก็ได้อาจจะยิ่งย้อนโกรกันก็ได้เพราะปัญญาเพราะความสุข ป, กปุกไม่เหมือนกันฉะนั้นไอ้ฉะนั้ น, ะะ น, นทุกๆคนการให้อัตมาว่ามันสบาย อาตมาเคยให้ก็สบายนะสิ่งที่ถวายไปแล้วในวันนี้สบายแล้วโยมยังเหลืออยู่ที่ที่ในบ้านเราจะต้องรักษามันอีกนะที่เอามาปล่อยให้เป็นทานนสบายแล้วไม่มีอะไรใะแล้วนี่มันเบาซะอย่างนี้นี่มันเบาซะมันยังยุ่งแต่ที่ยังอยู่ในบ้านเราเนี่ยจะต้องรักษามันนี่ใครจับอะไรใครทําอะไรจะค่อยจ้องดูอยู่เรื่อยเรื่อ ย, อยอย่างนั้น อย่างไดก็ตามเถอะพวกเราทั้งหลายนั้นเน่ยอาตมาขอเตือนพวกญาติโยมทั้งหลายทั้งตัวอาตมาเองเนะจะเล่านิทานย่อๆอันหนึ่งให้ฟังนะนิทานนี่อาตมาพูดด้วยละมันถูกจริตเนี่ยมันถูกจริตในสมัยหนึ่งมีคนคนหนึ่งเป็นคนที่ใจบุญสุนทานมากแต่มีความละเอียดอ่อนเลือเกิน ใครทำอะไรไม่ละเอียดไม่ถูกใจไม่เอาสะอาดสะอางอย่างนี้ท่านก็มีศรัทธาไปสร้างสระไปในป่าที่คนสัญจรไปมาจะได้พักพาอาศัยให้มันสบายอย่างนี้ก็ค่อยๆไปดูมันมีชีวิตอยู่ไปดูอยู่ที่สระนังนั้นทําเสร็จแล้วห่วงใยอยู่อย่างนั้นแหละนะถ้าแขกไปไทยมาที่จะไปพักอยู่ตรงนั้น ก็พยายามไปดูว่าเขาทํากันยังไงทํำสลาเราสพกระปุกหรือเปล่าลู่จักหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็าไปพยายามดูอยู่เรื่อยๆนะต่อไปต่อไปแล้วก็ท่านพอหมดชีวิตไปตามอยู่ไขของท่านจิตวิญญาณของท่านนี่ยังไปห่วงอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นห่วงสลาหลังนั้นอยู่อย่างนั้นเนี่อันนี้มันติดความดีนะโยมนะ มันติดความดีถ้าคิดไม่ถูกต้องมันก็มันก็ไม่ดีนะวันหนึ่งชาวพอ ข, ข, ข้าเคลียรนมาพักอยู่พักอยู่อแอบแอบไปดูซะไปดูเขานอนเป็นแถวแถวไปดูแล้วก็ไม่สบายใจนะนอนเป็นแถวไม่เสมอกนน า, กานรนาี่บางทีก็ศีรษะมันโผ่ขึ้นมาซะบางทีก็เท้ามันโพล่ไปท้งโน้นนะ ไม่สบายใจมันไม่สม่ำเสมอนี่จะทำยังไงดีนะไอเปรตตอนนัานก็ไปดูทางศีษาก็ไม่สม่ำเสมอกันก็ไปดึงเท้าก็ลงไปดึงเท้าเสมอแล้วอ้ชอบใจแล้วนะก็หมดนึกว่ามันหมดปัญหาแล้วนะมาดูศีษะก็ไม่เสมอกันอีกแล้วอ้าวทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วก็อุตส่าห์มาดึงศีษาก็ ข, าขึ้นมาอีกดึงขึ้นมานะ ทางศีรษะก็เสมอแล้วนะคอใจเนื่องว่าปัญหามันหมดแล้วไปดูทางเท้าอีกก็ไม่เสมอกันอีกะแล้วทำอยู่อย่างนี้นะหมดปัญญาเลยมันนั่งทอดหุย่ยจะได้มันเป็นเพราะอะไรนาะนี่นะปัญหาเท่านี้มันก็ติดนะมไม่สบายใจมันเป็นเพราะอะไรก็ทำอีกทำอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะศีรษะเสมอแล้วเท้าก็ไม่เสมอ เทาเสมอแล้วสีสันมันก็ไม่เสมอมันเป็นยังไงเนาะมาคิดจนเหน็ดเหนื่อยเรื่องเท่านี้แหละมันคิดไม่ออกนะคนอะไรมนคิดแต่อ่อไอคนนี้มันสั้นยาวไม่เสมอกันไว้นะมันถึงเป็นอย่างนี้พอนึกได้เจนี่ปัญหาก็หมดไปเลยนะเดยสบายใจเลยนี่มันถูกแล้วนี่นะมันคิดถูกแล้วสมัยก่อนจะเอาแต่ให้มันเสมอกันทังนั้นแหละอันนี้แทนว่าเปรดละเอียดนะอัตมาก็มันคอยอยากจะเป็นเหมือนกันนี่ย มันชอบอยากจะเป็นที่คนคนรักษาคนอย่างสมภารวัดจะเอาวาดเป็นใหญ่เนี่ยชอบอยากจะเป็นเปรตแบบนี้ <c oughs> นะ <c oughs> อันนี้มันเป็นไสอย่างนั้นอาตมามื่ค่อยอย้าย่องอยากจะไปเป็นอยู่เหมือนกันเนี่ยแต่รู้ว่าเออมันเปรตมันจะไปอย่างเออนีมันเปรตเนี่ยเนี่ยก็ได้เท่านี้ล่ะบางทีไม่ขี้เกียจไปมันเป็นเปรตบางทีมันจะไปอย่างเงี้ยผมามเท่านี้ มันก็รู้จักนี่เคยัรรู้จักแล้วก็พยายามข่มเรืไปอย่างนี้ละยโยมมันฝืนอยากจะเป็นไปเป็นเปลียดอยู่เรื่อยแต่ไม่เป็นยังไงกันเนี่ยญาติโยมทางหลายนี่ขอฝากปัญหานี้ไว้ทุกทุกคนนะถ้ามันเกิดมันเป็นทุกข์นี่มันเป็นทุกข์อย่างนี้แหละปัญหาเท่านี้แหละนึกว่ามันมากแต่มันน้อยแต่คนไม่มีปัญญามันมากคนที่ไม่สั้นยาวไม่เสมอกันทําให้เสมอกัน มันก็ไม่เสมอกันนี่มันเป็นเพราะอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เรื่องอยังไงเน่ยนะเอาซะจนเหน็ดจนเหนื่อยถึงจะรู้ว่าโอ้คนมันเป็นอย่างนี้นะเมื่อรู้จกักแล้วก็สบายเบานะอันนี้ชอบจะเป็นอยู่กับพ่อบ้านแม่บ้านนะนะครูบาอาจารย์เขาชอบอยางเดมันแย่แย่ไปเป็นอยู่ตรงนั้นแหละให้เข้าใจทุกคนนะเนะี่ยอันนี้ขอฝากชาวไอ้พระนครหลวงเราทุกคนนะ บางทีอาจจะเป็นมาแล้วก็มีนะดีบแก้มันให้ได้ถ้าไม่แก้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยอันนี้ความดีนะเนี่ยมันเปรียดเป็นเปรีดเพราะความดีดีดีดีดจนเกินดีมันเลยไม่ดีซะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยให้เข้าใจอย่างนั้นนะเอาละวันนี้ทําบุญวันนี้เพื่อให้ไปแก้ตรงนี้ให้มันได้นะอย่าให้มันมากขึ้นไปให้มันน้อยลงอย่างไี้ให้มันเสมอ จะเบื่อให้มันน้อยนหน่อยหน้อยจนให้มันหมดนะถ้าหมดแล้วเอาละถูกทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วหสมกับว่าทําบุญเพื่อรักยีดีตัญหาผููได้เต็มปากเลยที่นี่นะอย่าให้มันเป็นเป็นเปรตอีกนะถ้าเกียดจะทำมาเออนี่มันเป็นเปรตบอกว่ามันจะเป็นอะไรบอกว่าเท่านี้ก็พออืมันจะเป็นบะไรบอกว่าเท่านี้พอภาวนาเฮ้เท่านี้พอละ ไม่ต้องมากอะไรนะอันนี้ขอฝากแก่ญาติโยมชาวนครหลวงเราทุกๆ ท, ท่านนะอทุกคนนะอันนี้จะได้เป็นอย่างนั้นถ้าทำอันนี้ได้จะได้บุญเต็มเปลี่ยนจะเป็นป ร, ม, ปรมัตถปรามีนะถ้าได้บ้างไม่ได้บ้างจะเป็นอุปปรามีนะถ้าได้นิดๆ น, น้อยๆก็เป็นบารมีเป็นฐานะปรมีฐานะวุบารมีฐ า, า, านาปรมาปรมัตถปรามีนะ ให้มันมีให้มันมีไม่น้อยก็ให้มันมากให้มันพอดีให้เป็นอย่างนี้อันนี้ขอฝากนะเอาเน้น้อยคิมคิมนะะเอานน้อยคิมคิมไม่ต้องเอามากอะจุดประสงค์เอาวันนี้ก็เหมือนนั้นเนี่ยก็คงเอาน้อยวันนี้โยมทุกคนก็คงไม่อยากจะได้มากแล้วมันเหนื่อยเนี่ยนะมันเหนื่อยมันเหนื่อยกันแล้วไอ้ความเหนื่อยมันก็สําคัญเหมือนกันนะ ต่อนี้ไปก็ขอญาตโยมทั้งหลายจงตั้งใจฟังปภาคาโลนะพระเมืองนอกอันนี้พระเมืองในเทศต้องเทศไปอย่างเนี้ยให้ปภาการลท่านเทศได้ฟังอนั่นเทศภาษา ล, ลาภาษาไทยไปเนะี่ยเพื่อใ้เป็นยาบำรุงใจโยมให้ฟื้นขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะไอ้วจะได้จำวัดกันนะต่อไปนี้วิชานั่นขอบุญโพศุที่ญาติโยมทั้งหลาย ที่ได้ต่าง อ, อกตางใจมาทำในวันนี้นะจงให้เป็นผลสำเร็จทุกประการที่โยมทั้งหลายที่ปรารถนาไว้แล้วทุกๆ ท, ท, ท่านเถิดนะเอาย่อๆนะจิตการของเราที่จะทำวันนี้นก็ย่นกาไปพอสมควรการถวายผ้าป่าการสวดมนต์การนั่งสมาธิอะไรทั้งหลายเหล่านี้ ให้มันเป็นไปตามๆกันพอสมควรเมื่อจบเสร็จทุกอย่างแล้วอก็จงตั้งใจตั้งใจไว้ในใจเข้าใจไหมตั้งใจไว้ในใจเอาตั้งใจไว้ในใจบางคนบางท่านก็ไม่รู้ว่าให้ตั้งใจไม่รู้ว่าตั้งวิทีไหน วันนี้หลวงพ่อจะบอกว่าให้ตั้งใจไว้ในใจนมีสติอยู่สม่ำเสมอให้จิตสงบสติอารมณ์เดือดแต่ความรู้ลอยไว้เหมือนตุดโฉโปธิระท่านไปฟังธรรมสามนีนทรม ท่านสอนย่อๆยอยอว่าจอมปลวก ม, มันมีอยู่หกรูเราจะไปเอาเหี้ยอยู่ในในรูปลวกนั่นเอะจะทำยังไงท่านบอกว่าให้อุดไปแค่ห้ารูปล่อยไปรูเดียวเพื่อจะจับเหี้ย ตาหูจมูกลิน้นกายใจปล่อยความรู้ไว้ที่ใจคือให้ตั้งใจไว้ในใจนั่นเองออวันนี้คุณมูกันฉันเนั่นเพื่อจะจับความรู้สึกอะไรต่างๆ ที่เรารวมเข้ามาอินทรีสังวรสังรวมอินทรีหกคือตาหจูจมูกล่นงกายใจรูปทั้งรูปร่างทั้งร่างนี้ปล่อยให้รู้อยู่ที่ใจแห่งเดียวเรียวว่าจงตั้งใจไว้ในใจวันนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายทำความรู้สึกว่า ถอดก่อนจะมาก็ดีเดินทางมาก็ดีถึงปัจจุบันเดียวนี้ก็ดีหรือทำเสร็จแล้วก็ดีให้รู้สึกว่าพวกโยมทางหลายนี่ทำคุณประโยชน์เป็นอย่างมากผู้ที่ทำประโยชน์นั้นเนี่ยก่อนที่จะทำกอสบายใจทำอยู่กอสบายใจทำเสร็จแล้วกอสบายใจ นี่อันนี้เดียกว่าการก็ทําบุญการก็ทําบุญมันเกิดจากหลายอย่างเข่นทอดตะถินทอดผ้าป่ า, าอะไรได้หลายอย่างเป็นเหตุอันนี้เพื่อเป็นเหตุบุญสร้างบุญสร้างกาุศลกันพิจารณาให้มันดีให้มันเป็นบุญ เต็มเนื้อเต็มตัวเพรามัน <c oughs> บุญคือความภูมิใจอย่างพวกเราทาั้งหลายในอุตสาหพยายามเดินทางมาจากพนะนครมาถึงจงังหวัดอุบลมาพักอยู่ที่วัดนองประพงน์นี้มาด้วยความภูมิใจทุกคนพยายามมาด้วยความภูมิใจ มีอาคมเป็นประมุขประธานมาทำบุญที่นี่หลายหนแล้วมีลูกศิษย์มากเหรือกืนหลายคนต่างคนก็ต่างมามีเหตุผลทั้งนั้นเรียกว่าคนเป็นส่วนมากร้ายกายร้ายใจยรวมเข้ากันจะหาความสงบระงับอย่างนี้ก็ไต้ยากลำบาก ฉะนั้นพระจึงเห็นว่าสมกับที่ว่าทําบุญคือความภูมิใจความภูมิใจการที่เราทาอะไรอะไรที่ถูกต้องนั่นละคือมันภูมิใจตาไร้เห็นสิ่งที่มันถูกต้องเราก็ภูมิใจโอได้ยินสิ่งที่ว่ามันถูกต้องก็ภูมิใจ รื่นกายจิตทั้งหลายเป็นท้นที่มันกระทบกระทั่งที่เรามีอารมณ์ชอบใจนั่นเนี่ยภูมิใจบุญทั้งนี้มันมาจากตาหูจมูกรื่นกายรวมอยู่ที่ใจดังนั้นจึงให้รวมใจไว้ในใจตั้งใจไว้ในใจเพื่อจะรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักบาปรู้จักบุญ บุญคือความภูมิใจแต่ตามภาษาพวกเราเคยพูดกันว่าไปสร้างบุญไปสร้างกุศลอย่างนี้คือทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือทำบุญอย่างเดียวนั้นยังไม่เต็มเปี่ยมยังไม่สมบูรณ์โมดีบุญ หมายความว่าการสร้างคุณงามความดีนั้นไม่มีปัญญ า, ากุศล น, นั่นคือตัวปัญญาบุญคือความภูมิใจแม้ภายในยิ่งไปกว่านั้นเช่นว่าพระจิตของพระที่ภาวนาตามกรรมฐานก็มีสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน สมถะกรรมาฐานนั้นทำใจให้สงบอืมทำใจให้สงบเฉยๆหาใจสบายสงบนี่เดียว่าสมถะใครๆก็ทำได้เป็นบางครั้งทำไมตึงทำใจให้มันสงบเพราะว่าใจนี่มันลิ่นโนเลือเกินมันไม่รู้จักจบมันไม่รู้จักพอ มันไม่รู้จักอิม่มมันเป็นองค์ก้นมันรั่วตักน้ำใส่กระทางวันมันก็ไหลออกกระทางวันเพราะอะไรเป็นอยู่เพราะอาศัยความอยากมันสิงอยู่ในใจอย่างนั่นใจจึงไม่พอไม่มีเมือง็อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนั้นเรียกว่าการกระทําบุญของเรา ให้มันจุใจของเรานั่นเพื่อฟอกใจของเราเพื่อทำใจของเราให้สบายสมถะก็ทำจิตให้เปรียมด้วยความสง บ, บอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าความสง บ, บชนิดนี้ก็เป็นเรื่องการสร้างบารมีเบื้องต้นของการทำจิตคือความสง บ, บ สงบเพราะไม่ได้ยินเสียงอะไรสงบเพราะไม่ได้เห็นรูปอะไรสงบเพราะไม่มีอะไรก็สงบอยู่เฉยๆอย่างนั้นก็เป็นเรื่องสงบเหมือนกันแต่เป็นทางที่สงบไม่สมบูรณ์ในทางที่พระบร ม, มครูของเราท่านสอนมาจิตสงบต ร, ตรงนี้ก็คือว่าให้รู้เรื่องทุกสิ่งสารพัดหูได้ยินมันก็สงบ ตาเห็นอยู่มันก็สงบดับตาอยู่มันก็สงบลืมตาอยู่มันก็สงบคือมันรู้เรื่องอมันรู้เรื่อ ง, องก็เหมือนเรารู้จกักอันใดอันหนึ่งซึ่งเราเคยรู้มาแม้เรานั่งดับตาอยู่เราก็รู้ดื่มตาอยู่เราก็รู้เดินไปอยู่เราก็รู้นั่งอยู่เราก็รู้นอนอยู่เราก็รู้เนี่ยอเหมือนเรารู้ สิ่งต่างๆเช่นเรารู้เทปอย่างนี้เป็นต้นเรามีเทปอันหนึ่งเรารู้มันเราลืมตาอยู่เราก็รู้เทปเราดับอยู่เราก็รู้ว่าเทปเราเดินอยู่เราก็รู้เรานั่ ง, เ ร, งเราก็รู้เรารู้อยู่อย่างนี้รู้อย่างนี้เรียกว่ารู้สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีทางแก้ไขแล้ว นั่นเรียกว่าความรู้ตามความเป็นจริงรู้ที่เรียกว่าเรารู้เฉยๆสงบเฉยๆเมื่อเราลืมตาขึ้นมาเห็นสิ่งที่ปรารถนานั้นนะมันก็วุ่นวายอีกเมื่อเราลืมตาขึ้นมาเห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจนี่เราก็วุ่นวายอีก เมื่อระหับตาอยู่เฉยๆไม่รู้ไม่เห็นอะไรนั่นมันก็สงบนี่เรียกว่าสมถะดังนั้นท่านจึงเรียกว่าการทําสมถะอันนี้อย่างนี้ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ดิะฉะนั้นท่านจึงเพิ่มให้มีปัญญาขึ้นมาเป็นวิปัสนาเรียกว่าวิปัสนากรรมฐานกรรมฐานทํากิจให้เกิดปัญญาให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง รู้ตามความเป็นจริงของมันว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเห็นว่ารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรมันมันสมควรว่ามันเป็นอย่างนั้นก็ให้มันเป็นอย่างนั้นคือรู้ว่าสิ่งนั้นมันแก้มันไม่ได้เช่นว่าสกลร่างกายสังขารเหล่านี้ทุกคนเกิดมาแล้วมันแก่ตายไม่ได้ เพราะอะไรเพราะมันเกิดมาเต็มที่ทุกคนแล้วแต่จำเป็นก็ต้องมันเก็บป่วยให้ยุคเฮายมันเป็นธรรมดาร้อนก็แสดงหาที่เย็นอยู่เป็นธรรมดาลาบากก็หาที่สบายอยู่เป็นธรมรมดาตามเรื่องตามราวของมันจะก่อนอจะว่ามันหมดทุกจริงๆนั่นมันก็ไม่หมดจะว่ามันจะพ้นความตายไปมันไม่พ้น แต่ว่าก็ต้องอาศัยอันนี้บรรเทามันไปเพื่อให้เรามีความอยู่รอดโดยความสบายเท่า น, นั้นอันนี้ก็เือนการฉันนานการกระทาบุญนี่ก็เป็นการฉัน น, นั้นเนความภูมิใจนะไอ้ภูมิใจนี่บางทีบางทีมันก็เปล่าเหมือนกันนะนะจะยกตัวอย่างขึ้นมาว่าโยมเราทุกคนนี่นะ จะมาทอดภาพป่าแล้วก้าวขึ้นรถไอ้คุณคมนะเล่าเอากระเป๋าเอากระเป๋าสตางค์ใส่ในถุงก็นึกว่ามันเข้าไปในถุงดีแล้วแต่มันพลาดออกข้างนอกโดนลงไปจากถุงของเราไอ้คนนั้นก็นึกว่ากระเป๋าสตางค์นั้นเข้ากระเป๋าของเราแล้วก็เดยดีใจภูมิใจอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะ มาถึงโคราชก็ภูมิใจมาถึงที่นี้นก็ภูมิใจมาถึงวัดประโพงก็ภูมิใจเพราะเข้าใจว่าสตางเรายังอยู่แต่ความเป็นจริงนั้นสตางเนี่ยมันหายจากโน้นเมื่อขึ้นจากรถคุณงคหมันดูดไปแล้วนี่คือความภูมิใจเหมือนกันภูมิความภูมิใจด้วยความหลงเข้าใจว่าสตางนั้นอยู่ในกระเป๋าเราแล้วแต่ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้น มันดุดออกจากโน้นเมื่อเวลาเราขึ้นโดดนั้นแต่เราเข้าใจว่ามันยังอยู่อย่างนี้แล้วก็ภูมิใจนี่คือความภูมิใจเมื่อมาถึงบัดประโงคแล้ววักออกมาเลยจะเอาสตางค์นี่ทอดปปล่าไม่เห็นเลยเนี่ะหมดเนี่ยขาลอดว้าาเลยทีเดียวแน่ไม่มีซะแล้วเนี่ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนี่คือความภูมิใจไอ้ความภูมิใจที่ไม่ถูกต้องมันก็มี เรานึกว่าจะทำบุญแต่เราไม่รู้จัก บ, บุญกันทำแล้วก็ภูมิใจภูมิใจเนี่ยเหมือนของที่เราหายไปแล้วเรานึกว่ามันยังอยู่มันก็ภูมิใจอยู่ไอความเปจริงของมันหายแล้วเนี่ยเมื่อถึงที่เราจะทำมันไม่เห็นซะแล้วนี่เรียวกว่าความภูมิใจนี่เรียวกวการกระทำบุญมันเป็นบุญอย่างนั้นกูโศน กุศสกูโสไม่เป็นอย่างนั้นภูมิใจเพราะอะไรไหมนี่นคำดูกระเป๋าสตางค์ก็เรามีอยู่นี่ภูมิใจแหะอะไรมันยังไม่หายเลยภูมิใจมันยังอยู่นี่ก็เรียกว่ามันยังอยู่ไม่หายไปตรงไหนนี่วะสตางค์ก็ยังอะไรอะไรมันก็เหลืออยู่เป็นอยู่ทั้งสิ้นนี่ก็เรียกว่าบุญเนี่ยกุศล น, นี่ทั้งบุญมีทั้งกูโส ไม่ใช่บุญเฉยๆบุญเฉยๆก็คือกระเป๋าสตางค์แล้มันโดนไม่รู้เรื่องก็ภูมิใจยืนเลยนะนี่คือเราเข้าใจผิดฉะนั้นการกระทำบุญกุศลนี้เรียวกว่ามีบุญเดี๋ยวก็มีกุศลมีการให้ทา น, ม, าทานมีความฉลาดดอรรู้อย่างนี้เช่นว่าการทอดผ้าป่านี่ก็คือการให้ทานนะเราให้ทานกันทําไมอย่างนี้นะ เราให้ทานกันทำไมนี่ต้องดูจักนี่ต้องรูจักเหตุมันเราให้ทานกันทำไมให้ทานเพื่อเอาบุญบุญมันอยู่ตรงไหนบางทีเราไม่รู้เรื่องมันก็จะทำบุญเหมือนกระเป๋าตตางมันดูดไปแล้วเน่ยแล้วก็ภูมิใจอยู่นั่นเเนี่ยใช่นี่คือเราให้ทำความเข้าใจการกระทำบุญคือทานบารมีนี่การให้ทานนี้นะออ ทั้งๆเรายังไม่พอทุกคนเนี่ยทั้งเราก็ให้ทานไปอีกนะอืหรือโยอมพอหรื อ, อย่างนี้เนี่ยเงินทองพอแล้วหรื อ, อยังไม่มีใครพอแด้ว้างทานไปอีกอืเสียสาระไปอีกให้ทานไปอีกเพื่อเอาบุญนี่เพื่อเอาบุญบุญตรงนี้คือความสงบเนะี่ยมันบุญแน่เนีบเนียนที่สุดแล้ว คือการกระทําเช่นนี้เพื่อให้ละลาคะเพื่อให้ละโทสะเพื่อให้ละโมหะเจดีย์ทั้งหลายกองนี้เพื่อให้ระงับอันนี้ท่านว่าให้มันดับนะให้มันหลับดับราคะโทสะโมหะมันเป็นไฟไฟสามกองนี้มันเผาตลอดการตลอดเวลามีชีวิตอยู่บนกบเขา ตายไปได้ก็ตามเผาเราอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันร้อนอกว่าไฟธรรมดาเราไฟธรรมดาเราเขอไปใกล้มันก็ร้อนออกมาเลยมันก็เย็นไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะนี่มันร้อนอยู่ทั้งกลางวันกลา ง, า ง, า ง, างคืนนี่ <c oughs> พวกมนุษย์เราทั้งหลายก็เป็นธาตุหรือทนเป็นธาตุของมันอยู่ตลอดเวลามันก็ทุกตลอดเวลามิฉะนั้น พระบรมศา ส, สดาของรานแตงจึงสอนว่าอไอ้ความอยากนี่แหละคือว่ามันไม่พอแบ่งมันออกเสว่างเถอะหาให้มันตั้งแต่ต้นจนปลายมันก็ยังไม่พออยู่แล้วนะชลียอกไปให้มันหมดไปให้มันน้อยไปถอนความอยากทําลายความอยากให้ถึงความสงบ การให้ทานเราก็เรียกว่าคือความที่ว่าไม่เห็นแก่ตัวแก่ตนนี่การในทานคือทําอย่างนี้เพื่อจะไม่เห็นแก่ตัวตนทําไมถึงไม่เห็นแก่ตัวตนเพราะว่าเราคิดผิดเราทําผิดนี่เพราะพระพุทธเจ้าองค์สอนว่าตัวตนไม่มีเราก็มาทําเพื่อตัวเพื่อตนท่านว่ามันเป็นทุกข์ให้คิด พิจารณาลึกๆซึ้งเข้าไปอีกว่ามันไม่มีตัวตนอะไรเราเข้าใจผิดไปทำสิ่งที่ให้มันไม่มีเกิดขึ้นมาอย่างนั้นมิฉะนั้นท่านจึงให้การให้ทานนี้เพื่อความสง บ, บระงับดับนิพพานะปัจยโยโหตุมหวังพนิพพาน บางท่านของปาทานาเอาทังมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติมีผ่านจบเอาหมด <laughs> มนุษย์สมบัติก็เอาสวรรค์สมบัติก็เอาเอาหมดเลยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกันเอาหมด mm hmm. คือมันอยากในหลายเกินไปอยู่ mm hmm. อยากในหลา ย, ลายใครก็จะเอาเท่านั้นเ <laughs> มื่อไปจะไปเอาตรงไหนก็ไม่รู้นั่นะตามความอยากของเราในความเป็นจริงนั่นเพื่อให้มันดับดับอะไรดับความทุกข์ดับความร้อน หับความมุ่นวายอันเกิดจากใจของเราหนึ่งหลับราคะหลับโทสะหลับโมหะทั้งสามประการนี้เมื่อมันดับแล้วก็คือให้มันเย็นสนิดอย่างนั้นพระนิพพานตั้งชื่อหมายถึงว่าการดับการดับดับนี่บางคนงี้ดับแล้วมันจะมีนมันไม่มีวะ่ะถ้าไม่ให้มันมีถ้ามีแต่มันร้อน เหมือนกันกรับท่านให้หลับความร้อนในใจของเรานีมันดับไปถ้าความร้อนมันเกิดขึ้นมาเราดับไปความร้อนมันดับเราสบายใจถ้าเราพูดถึงความหลับเฉดิณนี่เราก็เห็นว่าเออมันดับไปแล้วเราจะเอาอะไรก็ไม่เอาอะไรเหมือนความร้อนมันร้อนอยู่ให้มันดับไปก็เพราะให้มันสงบมันเย็นนี่ทันจริงศัพ์นี่ทันจริงเรียกว่า นิพพานท่านจึงแปลว่าความดับถ้าความร้อนเกิดขึ้นดับไปมันก็หายร้อนความทุกข์เกิดขึ้นดับไปมันก็หายทุกข์นี่เรียวกว่าการดับการดับอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาไปแง่หนึ่งก็ไม่ชอบใจถ้าพูดถึงแง่ที่ว่าเราไม่ต้องเอาอะไรนี่เราก็ไม่ค่อยสบายใจกันถ้าเราพูดถึงว่าไฟ มันร้อนถ้าเราไปจับมันมันร้อนถ้าเราไม่จับมันดับความร้อนนี่เราก็จะเอา <c oughs> นี่เราก็จะเอาอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นความดับอันนี้จึงให้พิจารณากันเป็นชื่อของพระนิพพานอันหนึง่งเรี่องความหลับทุกข์ไอ้ทุกข์นี่มันเกิดอะไรที่ไหนไหมโยมเคยเห็นไหมเออโยมบางคนก็คิดง่ายๆเว้ยมันทุกข์เพราะมันจนมันไม่พอมันจนอย่างนี้ เห็นคนรวยไหมเอ้คนรวยเป็นทุกข์มีไหมเอ้ยนี่เด็กเหมือนกันกับความตายทุกข์เหมือนกับความตายแก่มันก็ตายได้หนุ่มมันก็ตายได้ตัวนี้นิดมันก็ตายได้ไอ้ความทุกข์มีเหมือนกันรวยมันก็ทุกข์ได้จนมันก็ทุกข์ได้เป็นเด็กมันก็ทุกข์ได้แก่มันก็ทุกข์ได้มันเป็นอย่างนี้ โยมมันเป็นกันอยู่อย่างนี้มันไม่จบล่ะเนี่ฉะนั้นพระพุทธองค์ของราเกรงใจว่าการทาอย่างนี้คือการให้มันดับหลับความวุ่นวายดับความอยากให้พิจารณาอย่างบันนี้น่ะทำให้มันสบายให้มันดับคือความมันดับสนิทนั่นเนี่ยคือมันได้มากแล้วมันได้นี่ก็คือมันได้ได้ความสงบได้ความระงับ มันดับจากทุกข์ดับจากโทษทั้งหลายนี้สับนี่มันสูงเกินไปเราถึงมองไม่ถึงหรือเรามองข้ามมันจ้ะอันนี้ศัพ์อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วอันนี้ท่านจริงเรียกว่ากุศลธรรมการให้ทานหรือการทําบุญทําบุญทํากุศลมันติดกันอยู่สองข้างอย่างนี้ท่านจริงให้มีบุญมีกุศล ให้ภูมิใจในสิ่งที่ว่ามันถูกต้องไม่ภูมิใจในสิ่งที่ว่ามันไม่ถูกต้องมันผิดนั้นแฉะนั้นท่านจึิงรี่ว่าการสร้างบุญการสร้างกุศลทุกคนอันนี้ถ้ามันมีอยู่ในใจของเราท่านทั้งหลายแล้วน ะ, นะพวกเราทั้งหลายก็จะมีการต่อยหรือมีการวางสิ่งทั้งหลายเหล่านี้การกระทําวันนี้ก็หมายถึงอนันต์แต่เรามีปัญญาน้อยก็ยังคิดจะไม่ถึง อันนี้ฉะนั้นจึงขอฝากว่าการกระทํำนี้มันเป็นสิ่งที่ชอบเป็นทานาบารมีอันหนึ่งเป็นคุณธรรมอันยิ่งยอดอันหนึ่งเป็นบารมีที่พระผู้มีพระภาคของเราสร้างบารมีมาตั้งแต่ต้นเป็นบารมีส่วนต้นที่สุดแล้วเริ่มไปจากนี้อย่างที่พวกเราทั้งหลายที่มารวมกันเป็นกลุ่มก้อนวันนี้ก็มาสร้างบารมีกัน สร้างบา ร, รมีก็คือสร้างบุญสร้างกุศลอย่าลืมนะโยมนะอย่าลืมอย่าลืมหัวใจพุทธศาสนานะออย่าลืมออย่าลืมหัวใจพุทธศาสนาก็เหมือนกับหัวใจมนุษย์เราเรามานั่งอยู่ที่นี่เพราะหัวใจมาถึงที่นี่ก็เพราะหัวใจไปที่ไหนก็เพราะหัวใจอเป็นเหตุ หัวใจของพุทธศาสนานี้ท่านว่าสัพปะปะปัจจะอาการนังพุทธะสู้ปะสัมปธาสะจิตต์ปาริยุทธะนังอัตมนี่เคยเทศให้ฟังเกือบทุกเที่ยวหัวใจของพุทธศาสนานี้ทําไมเทศทุกเที่ยวตรงนี้ก็เพราะมันจบลงอยู่ตรงนี้มันถูกต้องอยู่ตรงนี้ ถ้าเรารู้จักหัวใจของมันแล้วพุทธศาสนานี้น่ก็อยู่ในใจของเร า, า, า, าการกระทำบุญอันหนึ่งการละบาปอันหนึ่งการทำจิตในผ่องใสอันหนึ่งบุญสพรพปาปจะอกระนังการไม่ก ร, กระทำบาทั้งปวงนั่นแหละถูกต้อง เป็นหัวใจพุทธศาสนาเนี่ยอัตมาเคยพูดบ่อยพูดย่ำบ่อยๆเพราะว่าตรงนี้มันสำคัญไม่ลึกไม่สูงเกินไปพอมองเห็นได้แต่เราพิจารณาแล้วสมมติว่าไม่กระทำบาปมันก็ไม่มีบาปอยู่ตรงนั้นไม่มีบาปอยู่ต้นนันเกิดบุญขึ้นมาตรงนั้นถือว่าไม่มีบาปอืม พระพุทธองค์ของเราอยากจะทำพื้นฐานในมันหมดจดใสสะอาดเสียก่อนเป็นต้นว่าเราจะปลูกบ้านปลูกอาคารเหล่านี้เป็นต้นเราจะต้องตรวจตราดูดินดูสถานที่ที่ผูกกันนั้นนะให้มันได้สัตว์ชวนเสียก่อนผ้าที่บ้านเรากรมวันกันผ้าเราที่จะต้องเอาไปย้อม แล้วก็ต้องดูมันก่อนมันจบกระโปกหรือเปล่าถ้ามันจกกระโปกแล้วก็ต้องไปซักไปฟอกลงแท็บซะก่อนให้มันสะอาด อ, อแล้วก็เอาสีมาย้อมมันก็จะกินสีดีดังนั้นนี่ก็เดี๋ยวเราฟอกมนแล้วผ้าสะอาดแล้วมันก็กินสี อ, อการกระทำบุญทำกุศลของเราเหมือนกันทําจิตให้มันสะอาดถ้าทําจิตสะอาดแล้วคือเดี๋ยว ละบาปแล้วละความผิดแล้วละความชั่วทั้งหลายแล้วเราจรึงมาไม่ทํามาทําความดีมาทําสิ่งที่มันถูกต้องอะไรต่างๆเหล่านี้นะ่ะพื้นฐานมันสะอาดแล้วทําอะไรมันก็เกิดเป็นบุญขึ้นมาสปปาัปปะปะปัจจัากกรานั่งละบาปเสียก่อนละความผิดเสียก่อนออทําความจบกระปุกเสียก่อนให้มันหมดไปจึงย่อมผ้าก็เหมือนกันเช่นั้น นี่ก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาอันหนึ่งฉะนั้นการกระทาบุญของเราวันนี้เพรการก่อนจะถวายผ้าป่านี่ก็ต้องจะอาราธนาศีลจะต้องทำํำทำศีลให้บริสุทธิ์จะก่อนนี่ก็คือซักผ้าฟอกผ้าให้มันสะอาดเด้งมันใ่อื่นไกลหรอะมีอันเป็นเบื้องแรกฉะนั้นอันนี้ทันทงจัดเป็นหัวใจของพุทธศาสนาอืมนัน อย่างแท้จริงการกระทาบุญอันนี้ต้องทํำระความชั่วจะก่อนระความผิดจะก่อนละบาปจะก่อนเป็นธรรมดาแน่นอนอืนี่สัพปะปะปัสสะาการนังกุจจุตสุปสัมปทาความผิดเราเลิกแล้วระความชั่วเราละมันแลกใจมันก็เป็นบุญเท<ม>่านั้นเนี่ตรงนั้นไม่มีเครื่องจกรปุกมงมมามตรงนั้นมันก็สะอาดเท่านั้นนั่นะ เป็นกอสุปสัมปทาจิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลสงบนับสบายอันนี้ก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาอันนี้ประการหนึ่งพุจอรสุปสัมปทาสะจิตะปริโยตปันนังตอนนั้นไปมันก็ออกเดินเท่านั้นแหละมันก็สว่างเท่านั้นมันก็สบายทําใจของเราให้พองใช้ เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ถูกต้องทั้งสามประการนี้แหละพระพุทธองค์ท่านวางไว้มาเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเอตังพุทธศาสน์ศาสนงเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะทำกันมาเมื่ อ, อไรก็ตามเธออันนี้เป็นหลักเลิกการกระทำบาปแล้วจึงทาบุญปัญญาถึงจะเกิดผลมันถึงจะเกิดขึ้นมา มิฉะนันอย่าไปลืมการสร้างทำการสร้างบุญทำบุญนี่ให้ละบาปจะก่อนอย่างนี้เป็นมาแล้วการละบาปนี่เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราไม่ละบาปนั้นก็เหมือนกัน เ, าเอาผ้ามาย้อมผ้าย้อมเอามาย้อมมันสกกระบกมันจะสวยไหมมันจะกินสีดีไหมก็เหมือนกันอย่างนั้น ภายในจิตของพวกท่านทั้งหลายนั่ น, นก็เหมือนการเนี่ยกระสงคืนในเจ้าของตัวดวงเองมันมีอะไรไห ม, มแค่มันดอกเท่าน่อยก็ได้อะเทมันยังเหลืออยู่อ่ะมีไหมอันนี้ปล่อยให้สงคืนในเจ้าของให้เจ้าของไปพิจารณาเองไอ้คนอื่นพิจารณาไม่ได้อะไรที่มันสกรปรกตรงไหนเป็นต้นก็ให้ทํามันตรงนั้นอันนี้เป็นโอวาทเฉพาะในวันนี้อืม ตอนนี้ไปก็จะไม่มีอะไรแล้วให้ญาติโยมเข้าใจอันนี้เป็นการบ้านของชาวพนคอหลวงมาวันนี้ให้อาไปพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากมันจะคุ้มค่าที่พากันมาทำอย่างนี้นี่ฉะนั้นผลที่สุดนี้การเวลาก็พอสมควรนะญาติโยมคงจะนิดจะเหนื่อยเกินไปถ้ามันเหนื่อยแล้วมันไม่อยากได้อะไรนะ มันจ็จะนอนถึงนั้นอ่ะอืใครจะพูดสวรรค์นิพพานก็จังแต่ฉันไม่เอาถึงนั้นนะฉันจะนอนของฉันเนี่ยนะอันตรายาจะฝืนเทศไปบางคนกระจโทษหลวงพ่อนะ่ะแหม่หลวงพ่อเทศน้ำเนี่ยฝืนด้ยเรามันจะอยากนอนแย่ซะแล้วนั่นนะก็เทศหรือจะเทศไม่หยุดเงนินยเด้อนี่ก็เกิดกิเลสขึ้นมาอีกแล้วเนาะนอันนี้มันก็มันก็จะไม่ดีนะมันเกินพอดีแล้วเอามันพอดีพอดีซะ มิฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ให้เป็นการบ้านของญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาช่วยวัดนองประพงศ์ศูนย์หนึ่งนี้เคยได้มาติดตามบํารุงวัดนองประพง์ตั้งแต่ต้นมาแล้วตั้งแต่สร้างโบสถ์มาแล้วก่อนนั่นด้วยเดื้อมาจนกว่าวัดนองประพง์เนี่ยจะฟื้นตัวขึ้นมานี่กว่าเป็น อก็เป็นเหตุอันหนึ่งจากศูนย์ของมพอร์ติมานี่ที่อื่นก็มีเหมือนกันแต่แต่นี้ไม่ค่อยขาดถึงเราดูปีบรสงวนมามาอยู่เรื่อยเรื่อยก็เหมือนกันคล้ายๆที่ว่าไอ้ไอปลามันไปอยู่ไอบวกหล่องน้อยอ่ะมันจะแห้งแล้วนั่นน่ะแดดมันเผาทุกวันมันจะดิ้นตายอย่างเงี้ยนะก็พอดีฝนมันตกลงมาซะนะอืก็ชุ่มขึ้นมาอีกน้ําก็ขังอีกนะอืม ราก็ชื่นบานขึ้นมาอีกอย่างนั้นศูนย์หนึ่งที่มาทํากับปัดนุ้งโพงก็เป็นอย่างนั้นจนตลอดถึงถึงวันนี้ฉะนั้นโดยอํานาจบุญกุศลทั้งหลายที่พวกท่านทั้งหลายมาบํารุงพุทธศาสนาเช่นนี้ให้อยู่กันสบายสงบดังนี้บุญอันนี้ขอจงให้เป็นนิตสัยปัจจัยแก่ญาติโยมทั้งหลายที่มาบํารุงนี้ พบนี้ก็ดีพบหน้าก็ดีพบใดๆก็ดีก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายนี้จงเป็นผู้พบปะแต่สิ่งที่ว่าอ่าที่ว่าที่ว่าเรื่องมันอดอยากที่ว่ามันเป็นทุกข์นั่นอย่าให้มีในใจของเราเลยผลที่สุดนี้ก็ให้ผู้มีศรัทธาทั้งหลายเหล่านี้ให้บรรลุสันติธรรมอันมีความสงบสงบที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานนั่นเนี่ เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างนั้นขอท่านทั้งหลายนี้จงให้เป็นมิตัยปัจจัยแก่พระริพานแนวอนาคตกาลข้างหน้าน้่นเธอเอาแล้วน <c oughs> เอาใกล้ๆมีเอาเอาใกล้ๆหนึ่ย